มีอะไรอยู่เท่าเดิมดูสิมีอะไรอยู่เท่าเดิมปรากฏทางตาทางหูปรากฏทางใจเราทุกระยะทุกเวลามีอะไรอยู่เท่าเดิมแค่นี้เราคิด พอยี่ที่จะกระตุ้นเตือนจิตเราได้ไหมกับความที่เรามัวแต่ประมาทนิ่งนอนใจสิ่งรอบข้างตัวเราไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมดูมาที่กายของเราอยู่เท่าเดิมเปล่าอยู่ไม่เท่าเดิมมันขับเคลื่อนตัวมันเองทุกระยะทุกเวลาเหตุนําไปสู่ผลผลนำไปสู่เหตุเหตุนําไปสู่ผลผลนำไปสู่เหตุไปดูให้ออกนะ เหตุนำไปสู่ผลยังไงผลนำไปสู่เหตุยังไงในกายเราเนี่ยมือเช้าใส่อะไรเข้าไปบ้างตอนนี้มันออกไปไหนแล้วท้องแคบไปไหนแล้วไปเป็นเลือดเป็นเนื้อไปเป็นกำลังไปเป็นพลังคือจายเข้าไปเรื่อยมีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มี มีธรรมฟังคำสกิดใจแค่นี้ไปได้เลยผู้ที่จิตใจเป็นธรรมผู้ที่มีบุญเกาะติดได้เลยเรามาฟังลงสมัยพระพุทเจ้าสองพระชน์อยู่มหากับปินมหากับปิลมหากัะปินนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ยินคำบ่า พระพุทธเจ้าบัตรแล้วพระพุทธเจ้าบัตรแล้วโอ้ปลื้มปีติยินดีตื่นตาตื่นใจต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปไปศึกษาดูประวัติพระมหากริญมีคนเขามีบุญได้ยินคาําว่าพระพุทธเจ้าทล้วไปเลยอยู่ไม่ได้แล้ะอนถาปิญิกาเศรษฐีเนี่ย สหายของอนาถาปิฏกเกษฐีราดคึ้นหาเศรษฐีเนี่ยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าบัดไปยี่ยพระพุทธเจ้าประทับที่นุ่นที่ดีที่นี่ที่นั่นนอนไม่หลับไปเลยมีเทวดาพาไปด้วยไปทั้งคืนสว่างไปเลยคนก็มีบุญไอเราเลือกจะนั่งเก้าอี้ดีกว่าไปนือ เขาวีนั่งพาหนาขัดสมาธิไม่ได้นั่งเก้าอีน่าจะไม่หลับ ง, ง่ายนะใช่ไหมนั่งเก้าอีน่าจะไม่หลับ ง, ง่ายอ่าไปซ้ายไปขวามันก็ไปยากไปข้างหลังมันก็มีสิ่งดันเอาไว้อีกไปข้างหน้ามันก็ไม่ได้เพราะว่ามันกุมกมมข้างหลังอยู่แล้ว นั่งคัดสมาธนะิขาดสติปั๊บหนิง่ายท้องนะระวังให้ดีนะนั่งภาวนานั่งคัดสมาธินี่แหละขาดสติปั๊บง่ายท้องใครอยู่ใกล้ๆก็เตะสายเตะขว้าเลยเลย่ะ <c oughs> เร า, าเรามาพิจารณาดูซ้ำซากั้ย หนึ่งวันผ่านไปแล้วสองพันกำลังจะเกินครึ่งวันไปแล้วซ้ำซากไหมขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง น, น, น, นี่เฉพาะหลวงพ่อก็ขึ้นมาเป็นรอบที่สี่แล้ว น, ะนี่รอบที่สี่แล้วเนะมื่อเช้ารอบเช้าฉันเสร็จมาก็ให้อนทามาเล่านิทานให้ฟังได้นิทานอะไรบ้างเราไม่รู้ ซ้ำซากไหมคาว่าซ้ำซากคำว่าจําเจอยู่ในมัดที่พ ร, พระเราพยายามจะขับเขี่ยวตัวเราไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องดีพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไนซ้ํซากไหมทําไมพระพุทธเจ้ทททททท า, ททาท่านจึงให้จับทำไมท่านให้เราบริกรรมมันซ้ำซากไหม อาศัยความซ้ำซากนี่แหละทำให้ลูกเป็นไฟขึ้นมาได้ดูเขาขัดไม้ให้เป็นไฟดูีิสีไม้เกิดไฟทำไมอาศัยความซ้ำซากไฟที่ไหนมันจะเกิดถ้าเราไม่อาศัยความซ้ำซากความเพียรที่ไหนมันจะเกิดตะปะทำ ท, ที่ไห น, นจะเกิดความร้อนจากตะปะทำมันไม่เกิดไม่รู้จะเอาอะไรไปเผดเผดเากี่ลสแลละ กรเด็ดเฉยชื่ดเย็นอยู่นั้นอยู่สะดวกสบายเหนียวแน่นมันคงอยู่นั้นโอกาสที่จะกรอบโอกาสที่จะเปราะโอกาสที่จะหกักจะหลุดจะร่วงไม่มีอาศัยตปธรรมนี่แหละขับเคี่ยวกินรียของเราให้เหือดให้แห้งเอาจนพฤติกรรมเก่าๆที่เราเคยสะสมมามันหลุดมันหายไป เหลือแต่พฤติกรรมใหม่ๆที่เราเอาไปใสแ่แทนในใจของเราเป็นอย่งงานงนั้นจริงๆมันอย่างเมื่อเช้าที่เราเล่าฟังอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นถ้าเรามีสติรู้ทันว่าเอา้านี่มันเป็นอารมณ์แห่งสมุทยัยแต่ต้องศึกษานะไม่ศึกษาไม่รู้จักนะไม่รู้ว่ามรรคมรู้ว่าสมุทยยัยแหละ อารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้จักอารมณ์มาเกิดขึ้นปั๊บเรารู้จักพอเราทําความรู้จักทําความรู้ตัวรู้จักเท่านั้นเองความเด่นของอารมณ์ใหม่มันเกิดขึ้นอารมณ์เก่ามันก็ถูกพับไปโดยอัตโนมัติของมันเราสังเกตดูธรรมชาติในใจของเรานะสังเกตดูเราจะรู้ด้วยตัวของตัวเราเองว่ามันแทนที่กันยังไงมันทํางานยังไง เมื่อเราไมา่เข้าใจเราคิดมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์วิเศษวิโสมดลบรรดานน้นนี่อะไรอะไรสรพัดให้กับหัวใจของเราทั้งที่ข้อเท็จจริงอยู่กับตัวเราเฉพาะหน้าเราเราไม่เคยย้อนมาดูดูการทํางานของใจดูวิธีจิตของเราศึกษาวิธีจิตของเราสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านใช้คําว่าศึกษานิพานในใจของใครของเรา พราะหนทางจะชัดเจนแจม่มแจม้งแล้วก็เดินได้เดินไม่ได้เดินดีเดินไม่ดีเดินถูกเดินผิดเราเป็นคนเดินเราเป็นคนรู้เราเป็นคนเข้าใจเป็นพระศ า, าสดามิม่งใครรู้นั่นนั้นรู้หมดผู้ที่ท่านได้ประรากจิตประรากจิตก็ยังพอรู้บ้างแม้แต่ยุคสมัยทุกวันหลวงปู่ ม, มั่นยุคสมัยหลวงปู่ ม, มั่นเรานะั่นรู้นะ เทพไปด้วยรู้จิตส่งออกนอกได้ด้วยแต่หลวงปู่ม่านท่านมีวิสัยสัมมาสัมพุท ธ, ธานะท่านตั้งความปรารถนานะแต่ท่านมากลับตัวใหม่พอท่านเจริญไปจนถึงขีดถึงขัน้นที่มันเข้าได้เข้าเข็มแหะมันก็ไปชะลออยู่ตรงนั้นตะเลมาเอกใจอ๋อเลย เลิกลาปณิฐานที่ตั้งความปรารถนานั้นเลิกลาแสดงว่ายังไม่ได้พยากรณพระโพธิสัตว์หักพันการพยากรและเปลี่ยนใจไม่ได้ถ้ายังไม่ผ่านการพยากรเนี่ยเปลี่ยนได้หลังตอนหลังมาท่านเดิกขอแค่เอาให้พ้นทุกข์ในอัตภาพนี้ให้ได้แก่นักรัตน์แล้วเห็นว่า การเวลายืดยาวแล้วเกินไปข้างหน้าต้องแบกทุกหามหามทุกไม่จบไม่สิ้นไม่หวันไม่ไปเลยเลิกล า, ากันหลวงตาทนเทศท่านบอกว่าถ้าถ้าทำชลาเลยบารมีของท่านอ่ะของของหลวงปู่มัน่นถ้าทำาะลาเท่ากับว่ามูงหลังคาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเปรียบเ ป, เป็นข้อเปรียบเทียบถ้าท่านกลัาเลิกเสียเพราะหลังจากท่านเลิก นิสัยอันนั้นจึงมีติดหมาย น, ะนิสัยของสมาสัมพุท tha สมาสัมพุท t h ต้องมีเรื่องเหล่านี้ต้องมีไม่งั้นไม่มีอะไรที่จะปราบมิจฉาทิฐิที่จะให้มันยุบหมัดได้เรามาฟังดูที่พระพุทธเจ้าท่านไปปราบชิดินสามพี่น้องดูสิต้องไปทรมานด้วยฤทธิด์ด้วยเดช ด, ด้วยอภินิาเป็นร้อยๆอยอย่างเป็นพันพันอย่างกว่าจะปราบได้ ถ้าไม่ใช่วิสัยขนาดนั้นเปราบไม่ได้ไม่ยอมยุดเอาเฉยๆถือเอาเฉยเราเป็นพระอรหันเราเป็นพระอรหันชิดินน่ะกัตริยคนพี่นี่มีฤทธิ์มากพระสัมมาขนอมมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นอรหันเราเป็นพระอรหันอรหันของเขาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้อาจจะถูกของเขาอยู่เพราะเข้าหมายความแค่นั้น แต่รหัรของพระพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งนะดอกแรกกับผ่านไปดอกสองดอกสามเข า, าเป็นร้อยๆเป็นพันๆดอกนะที่พระพุทธเจ้าเปลีองกับมูรุพัลกัส ป, ปาเนี่กว่าเขาจะยอม น, ะนี่เราหมายถึงว่ามิจฉาทิฐิวิสัยสมาสัมปทาสลับมีไว้สนับปราบพวกเหล่านี้แหละนะพอท่านปราบได้เนะนะทศกันเดียวนะที่ตปร ย, ายยาสูตรเนี่ย เป็นพระอรหันต์หนึ่งพันองค์พึบเดียวนีนี่คือปราบได้แท้ที่จริงบรรดาเจ้ารัทธิหรือบรรดาลทัทธิทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่รอบข้างพระองค์ในยุคนั้นในสมัยนั้นถ้าเขากลับใจเขาพร้อมที่จะไปได้ง่ายเพราะพวกนี้เป็นเป็นพวกเตรียมใจเตรียมกายเตรียมใจแต่ยังหา ย, หายช่องทางไม่เจอเหมือนปูล่าท่านเทศนัน บรรดารัฐที่ศาสนาทั้งหลายทั้งปวงเท่ากับเตรียมตัวคอยธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยเหตุที่เขาได้ตั้งอกตั้งใจได้ความสนใจพอได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพรบ เ, เขาก็จะได้เข้าถึงเข้าถึ ง, ถงวิธีทางที่ละเอียดได้ทันเพื่องทีรุ้มระคสปยอมที่ไหนไม่ยอมเริ่มแรกพระพุทธเจ้าเดินไปตอนนั้นพระองค์อยู่ที่ พระราศีนะอยู่ที่ไปสี่สิบปัตนามริกขายวันโปรโดคนแถวนั้นได้พระได้ปัญจวัคคีทั้งห้าได้ยาศักษ์กับเพื่อนของยาศักที่ออกชื่อห้าที่ไม่ออกชื่ออีกห้าสิบรวมเป็นห้าสิบห้า บวกกับปัญจวัคคีย์ห้าเป็นห0สิบรวมกับพระพุทธองค์เป็น6กสบเ็ดเนี่ยอยู่ที่เมืองพา ร, ราสีนะเสร็จแล้วตอนนั้นพระองค์ก็ให้พระสงฆ์สาวกทั้งหลายนั่นนะกระจายกันไปรีบเอาทำเปรียบเสมือนน้ำนี่ไปดับไฟในหัวใจของคนจะ้ะไปดับมิจฉาทิ่ฐิในหัวใจของเขาให้ตามคนต่างไป ไม่ไปซ้ํากันไม่ไปเป็นคู่กันไปต่างคนต่างไปคนละององทิศทางละองค์ละองลงไปรีบไปบอกไปสอนครับรีบเอาน้ําไปดับฟืนดับไฟในห้อยใจของเขาแม้แต่พระองค์ก็จะหมามกันพระองค์มาจากพระรนสีมาแควนเนี่ยแควนในพุทธขยาเนี่ยแคว้นเมืองราชครืดตํำบลอุรุเวลาศีนอนิคมซึ่งเป็นบริเวณที่พระองค์ได้ตั้งรู้น่ะ องค์เล่เห็นแล้เลงเห็นเชดินแะ้วเชดินคนพี่อุรุเวลนกสปะเป็นวัดวัดหนึ่งเป็นบริวารมีบริวารห้ารอยอยู่ฝั่งแม่น้ำขยาวัดที่สองน้องชายคนคนที่สองนาทีกษปะมีบริวารสามรอวัดที่สามน้องชายคนที่ส า, สาอยู่ฝั่งแม่นม้ํา ขยะนี่แหละต่ําลงไปอีกมีบริบาลสองร้อยรวมเป็นหนึ่พันทีแได้พระองค์ก็มาหาองค์รัชกาลมาขอพักรงไม่มีไรมีบาทใบเดียวถ่ายป้งแรงป้องแรงป้งแรงมาไม่มีอะไรไม่มีบริการทัดดงอะไรมากมายเหมือนอย่างพวกเราไปขอผักอาศัยโอ้ที่นี่ไม่มีที่พัก ที่อาศัยเต็มหมดแล้วบริษัทบริวารอยู่เต็มหมดแล้วไม่มีที่พักไม่มีที่อาศัยแต่พระองค์อยู่ในใสายพระยานของพระองค์หมดแล้วแหละอะไรคืออะไรเป็นอะไรและจะทํำยังไงรู้จักหมดแต่จะต้องดําเ น, นินการไปตามภาวะแวดลองของคนอื่นที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้นเองเนี่ยวิสัยของพระพุทธเจ้าตรงนี้เป็นที่อยู่ของพวกเราเต็มไปหมดแล้ว ถ้าท่านจะต้องเดินทางไปที่อื่นจะต้องอีกไกลมากนะลงไปอย่างนี้ก็เป็นน้องชายขยาสีนาทีขยาัดสะปาไปอี ก, กขยาอักสะปามีคนอยู่เต็มไปหมดแล้วท่านไม่มีที่พักที่อาศัยดอกแต่เราเห็นที่นี่มีที่พักที่อาศัยอยู่ตรงไหนท่านเห็นตรงไหนอะโรงไฟโอ้แต่โรงไฟนี่อันตรายนะมีพยานหน้าตัวดุร้ายอยู่นั่นแหละ พิษแรงดุร้ายซะด้วยกลัวท่านจะไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรดอกเขาไม่ทําอะไรเราดอกถ้าท่านอยู่ได้แน่ใจว่าอยู่ได้ไม่อันตรายก็ตามสบายเถอะนก็เลยแล้วไปได้ไปพักที่เรือนไฟพญานาคก็มาจริงแล้วมาพ่นพิษใส่พญานาควิชาทิฏฐิตัวดุร้าย ไม่รู้หลยมันพ่นใส่พ่นไฟใส่อะไรทําไมมันต้องมาพ่นพญานาคเนี่ยก็ได้พ่นใส่ไฟพ่นใส่หม้อไฟพวกนี้เขาจะไม่ให้ไฟดับบูชาไฟชะดินพวกเนี้ยบูชาไฟใส่น้ํามันใส่ฟืนใส่ไฟอยู่ตลอดนะไม่ลุกตลอดเลยเลยพญานาคก็มาพระองค์ก็ไปนั่งอยู่แถวนั้นะพญานาคก็มามันคงจะพ่นสายพระองค์เนี่ยมันก็ไปลงหม้อทั้งหมด พ่นใส่พระองค์ใส่บ้างพระิตพระองค์ก็มีนี่พ่ไฟมาพระองค์ก็มีไฟพระองค์แรงกว่าเอาลมมาพระองค์พระองค์แรงกว่าเอาอะไรมาพระองค์แรงกว่าในสูดก็อยู่หมดฤทธิ์หมดเด็ชหมดอำนาจเลจับใส่บาทนะจับใส่บาทตอนเช้ามาพระองค์เสด็จไปจงกรมที่ไหนไม่รู้เละอุรุกวลาขสัปปะเข้ามาเข้ามาเปิดดู เพือดูไปในบาทเห็นพะยะนิยญหะก็ <c oughs> งูตัวเล็กน้อ ย, อยในบาทโห้สมณะคนดมมีฤทธิ์ ม, มากมีอนุภาพมากแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นอร า, ารามตัวนี้คืออะไรเรารู้จักไหมตัวนี้คืออะไรนี่แหละคือ ต, ตัวทิฏฐิมนักถือเอายึดเอาข้อเท็จจริงไม่มีนะ ทีนี้ก็อุบายที่สองอบายที่สจนเป็นร้อยๆเป็นพันๆอุบายนะแต่ละครั้งแต่ละครั้งใจของเขาก็จะอ่อนลงนลอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงทิ่มๆมันอ่มันลดลงข้างนอกไม่ยอมรับแต่ข้างในใจมันยอมรับอย่าว่าแต่อยุคนั้นสมัยนั้นพวกเราเก็เหมือนกันบางทีข้างนอกไม่ยอมรับแต่ข้างในใจมันยอมรับนะเรื่องของใจกับเรื่องของตาหูงที่เห็นข้างนอกเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันอยู่บ้าง เหมือนอย่างบางคนนิ่มนวลข้างนอกแต่ข้างในมัดเกี่ยวเกี่ยวโกรธเคียดเอาไรแน่ไอ้กายกับใจกิริยาข้างนอกที่แสดงนะฮะทีวาระสุดท้ายที่พระองค์เยานะตราบใดที่เขายังไม่ลงพระองค์เต็มร้อยพระองค์จะไม่เอาจะไม่เทศพระเทศไ ป, ปแล้วฟังไม่รู้เรื่องวาระสุดท้ายเพนาะนั้นนะฝนตกหนักน้ําท่วมเจึงนอนไปหมดท่วมเอวท่วมคอนูนะ่นน่ะ น้ำไม่รุมเป็นที่รุ่มที่ต่ำยังไงไม่รู้นะอือาจารย์เขาก็บอกเฮ้ยไม่ใช่สมรคดถดลงจุกน้ําพัดหายไปกับกระแสน้ําแล้วเนอะพากันเจวเรือไปดูเห็นผู้ที่เดินจงกรมอยู่ที่ฝุ่นคล้องอยู่น่ะนะฝนตกน้ําเจองนองไปหมดอ่ะน้ํามันกลายเป็นกําแพงกั้นน้ําสิเองนะ มันแหวกช่องเหลือไว้สำหรับองค์เดินอยู่กลมอุ้ยอัศจรรย์เหลือเกินเป็นไทยยังไงอะแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นอรหันต์ผมมาถึงตอนนี้ใจมันอ่อนลงเต็มเต็มร้อยแล้วนะอ่อนลงยุเต็มร้อยแล้วพระองค์ได้ท่าพระองค์เห็นเขาลงเต็มร้อยแล้วพระองค์ก็ส่เลยกระสุนะ <c oughs> เธอสําคัญแต่ว่าตัวเองเป็นอรหันต์อรหันต์ แท้ที่จริงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์เธอก็ยังไม่รู้จักถ้าเธอตั้งใจฟังธรรมะของเราเธอจะเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ในไม่ช้าโอ้ตาลุกวาวเลยทีนี้กระลอกบริษัทบริบาลก็อยู่ในเงื้อมมือหมดเอาลูกพี่เลยแล้วรุ่ม้องก็เสร็จบวชหมดเอฮิปิคุปสัมพทาลอยบริขารไปตามกระแสนะครับคนที่สองเห็น โอ้ยพี่ชายอันตรายดีบริการลอยมาเต็มไปหมดขึ้นมาบวชหมดน้องคนที่สามดูโอ้ยพี่ชายเราอันตรายเกิดขึ้นแล้วมาหาขยะอุรุณลังสปะเห็นบวชเหลืองอาลามเต็มไปหมดพากันมาบวชเป็นพระภิกษุเชิดินทั้งหมดเชิดินเชิดินภิกษุเชิดินแต่พระองค์ไม่ได้แสดงธรรมตรงนั้น啊นะ พาพิสุทั้งพันองค์ไปแสดงธรรมที่ต้นน้ําขยาแสดงธรรมะเรื่องอาทิตตปริยายสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยความร้อนทําไมจึงต้องแสดงอาทิตตปริยยสูตรเพราะพวกนี้เขาบูชาไฟไฟเปลวไฟเพลิงที่เราเห็นเนี่ยมันไหมได้เฉพาะสิ่งที่เป็นรูปร่างเป็นวัตถุแต่มันไหมใจไม่ได้ แต่ราคะโทสะโมหระราคะขินาโทสะขีนามุหะขีนาเนี่ยไม่ได้แม้กระทั่งใจฟังดูทิศธรรมะของพระพุทธเจ้านี่คือความร่ารรอนมันก็เชื่อมสัมพันธ์ไปถึงเหตุผลต้นต่อสะพานเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเป็นเหตุให้ดับตัณหาอบายวิธีที่จะเข้าไปคลี่คลายเพื่อจะดับตัณหาหเกิดความเบื่อนหน่ายคลายจาง ตาก็เป็นของร้อนรูปก็เป็นของร้อนวิญญาณก็เป็นของร้อนคาว่าวิญญาณวิญญาณขันนะผัสสะก็เป็นของร้อนเวทนาก็เป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคาโทสัตโมหะดูสิอันนี้เป็นธรรมะเป็นของจริงพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เฉยด้วยเหตุที่เรา มันยังไม่ถึงจิตถึงใจมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราฟังแล้วเราเฉยแต่ถ้าหาผู้ที่กําลังหมุนอยู่ตรงนี้เขาฟังแล้วอู้เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่จะทำให้เราได้โหดดเกาะหาช่องหาทางเพื่อที่จะชรนชัยทะลุทะลวงตามท่านไปได้พิสุพิสุเชลินทั้งพันองค์ฟังแล้วเบื่อหน่ายคลายจาจ ก็หลุดก็พ้นบุดพ้นแล้วยานบอกว่าหลุดแล้วพ้นแล้วก็แสดงให้เป็นที่ปรากฏเป็นผ้าฐานพุทธทันทีหนึ่งพันกับสามองค์นานเห็นไหมเนี่ยวิสัยพระสมาสัมภพุทธาเนี่ยริศเดตอภิญญามีสำหรับปราพวกนี้นี่เราเริ่มต้นว่าริศเดตะพิญญามีสำหรับปราพวกนี้ เราพูดถึงการฟังเทศครูบาอาจารย์แม้แต่ยุคสมัยปู่มัน่นยังเห็นเลยจิตของลูกศิษย์เล็ดเลอดออกไปเป็นนั้นปนี้เปน็นนี้ไปนั้นแต่ก็บารมีระดับนั้นนะบารมีเพื้อนธรรมดานี่ก็าหา ย, ยากกันการที่จะรู้จะเข้าใจจิตใจของคนครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็เลาออกไปรู้ได้บ้างคือมันมีกําลังไม่เท่ากันรู้มากรู้น้อยแต่บางองค์ก็มิดไม่รู้เลย ถึงเราก็ตามหนทางที่เราจะเดินไปเพื่อสุขความโลภความโรรกรธราคะตัณหามีเป็นทางเอกเป็นทางตรงเอกายโนออยังมัคโกนยังมีให้เราเดินได้อย่างสะดวกสบายไม่ใช่จะทําให้เราหมดโอกาสไม่ช้ำไม่เหวี่ยงจะทําให้เราหมดช่องหมดทางที่เราจะไปได้เส้นทางตรงทําให้เราเดินมีอยู่ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจทํา จะไม่ทําให้เราเนินช้าโดยซ้ําไปและไม่เป็นการเสี่ยงต่อการที่เราจะไปหลงนิมิตหน้านิมิตหลังนิมิตดีนิมิตไม่ดีติดชานู้นติดชานี้เป็นเหตุแนวตรงแนวพูดเพี่อจลบล้างความอยากในกรดจิตใจนิสัยของเราความยากทั้งหลายทั้งปวงก็คือนิสัยเดิมที่เราสั่งสมมาบอกทุกระยะมาแล้ว มันไม่ใช่มันมีเมืองเมืองหนึ่งแล้วก็มีคนมาเอามาโปะให้เราคอยแบ่งปันให้เราไม่มีเรายึดเอาเองเราถือเอาเองดูที่ความโลภก็คือความอยากได้หัวใจของเราของท่านเหมือนกันหมดเห็นสิ่งที่ดีที่งามใครจะไม่อยากได้ก็อยากได้ทั้งหมดแต่ถ้าปฏิบัติธรรมเบื้องสูงไปแล้วท่านใหนให้เห็นสักจะว่าเห็นเพื่อทำลายความอยาก ในระหว่างที่เราเห็นแล้วเรายังอยากกับคนที่ท่านเห็นแต่ท่านไม่อยาก ม, มันต่างกันอยู่นะผู้ที่อยากมันก็ยึดเข้ามายึดเข้ามาสอ่องเข้ามาหาเข้ามาความยึดความถึงความต้องสอ่องต้องแสวงหาได้มาแล้วก็หึงก็ห่องก็อะไรอะไรสารพัดแม้แต่รูปรูปวัตถุทั้งหลายทั้งปวงที่เรียกว่าวัตถุกรรมวัตถุ ก, กาม เงินกินดาแก้แวแหวนเงินทองสรพัด ท, ทัหลายทั้งปวงที่เราติดข้องรวมไปถึงรวมไปถึงรวมไปถึงยอดของความโลภยอดของความโลภคืออะไรก็คือการมาราคาราดูสิเอามันออกได้ยาก อออเอาออกได้ง่ายไหมเอาออกไม่ง่ายหรือเอาออกได้ยากมากนี่แค่กามตันหาเฉยๆนะเราไม่ต้องพูดถึงภาวะตันหาเราไม่ต้องพูดถึงวิภาวะตัญหาขีดขั้นของความอยากมันมีหลายระดับอย่างนี้เองจึงเป็นเหตุให้เราจะต้องเจริญมากหลายๆระดับระดับที่หนึ่งระดับที่สองระดับที่ส ระดับที่สี่กว่าจะพ้นไปได้แต่มันจะหลุดไปเป็นเปาะเป็นเปาะเป็นเปาะตั้งแต่หยับยาไปไปกลางกลาไปจนถึงละเอียดมีอะไรเป็นตัวเด่นทั้งหมดเนี่ยเราไปดูที่สังโยต์ทั้งสิบมีตัวไหนเป็นตัวเด่นที่จะมัดเรารับตรงหัวใจของเราไ ว, า ว, ว, ามมว้ความถือตัวความมีตัวความถือตัว ดูมาที่ใจของเรามันถือตัวมันถื อ, อยังไงดูบอกไหมเราพยายามดูที่มันถือถือว่าเราเป็นนายถือว่าเราเป็นผู้ชายถือว่าเราเป็นผู้หญิงยึดติดในสมมติทั้งหลายทั้งปวงนี้เขาเรียกว่าถือตัวยึดว่าเป็นบ่าวสมมุติตาบอดยึดว่าตัวเองเป็นคนตาบอด โอกาสที่จิตดวงนั้นจะเป็นจิตธรรมชาติเลยมันเป็นไม่ได้เพราะความยึดความถือถือตัวทำไมจึงถือตัวเพราะมันสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวมีตัวเราดูไปที่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงครับปัญจวัคคียานัตตลักนณสูตรพระสูตรแสดงถึงความไม่มีตัวไม่มีตนจบวับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าพ้นไปทั้งหมดเลย ทำลายอัตราตัวตนที่หมดสิ้นความเป็นตัวมันมีผู้หมายตัวตนที่แท้จริงไม่มีจากกิริยาที่มันปั้นน้ําเป็นตัวมันแอบปั้นอยู่ในใจของเราสังเกตมาดูย้อนมาดูเราจะเห็นใครไม่เคยสังเกตมาดูจะไม่เห็นความถือเนื้อถือตัวเวลาเราจิ้มมาสติอปัญญาสมาธิเจาะเข้ามาใส่มันแล้วไม่มีอะไร มันเหมือนกับเป็นที่มืดเป็นที่ปิดเป็นที่บงังเป็นที่ซ่อนเป็นที่เร้นสําหรับอสา ร, รพิษมันเข้าไปอยู่ที่ปิดที่ปิดที่มืดที่บังไม่เห็นนี่ก็คืออํานาจของความโมหะนี่แหละขาดสติขาดปัญญาสองเข้าไปถึงอส ร, รพิษมันชอบซุ่มอยู่อสสารพิษซุ่มอยู่ ได้โอกาสดีได้ช่องทางดีมันก็แอบมาเล่นงานเราแอบมาเล่นงานเรานี่คือหัวใจของเราของท่านมันจะเหมือนกันหมดคือความหลงมันทาให้เราขาดปัญญามันก็กาะตัวขึ้นมาเป็นตัวเป็นกูเป็นของกูถ้าเป็นสมุนวนพุพธทธาถ้าเป็นกูเป็นของกูอยู่นี่ความรู้สึกว่าเป็นตัวมันมีอยู่แต่ถ้าเราอยู่ภาคสนามภาค ภาคตั้งใจชำระอยู่กำลังเดินงานอยู่เห็นมันเห็นเพราะฉะนั้นจะคลี่คลายจะกําจัดจะชะจะล้างดูเรื่อยๆดูเนืองๆพิจารณาเรื่อยๆพิจารณาเนืองๆจนสามารถทําลายล้างตัวสัญญาอารมณ์ตัวนี้ได้มันเกิดจากสัญญาอารมณ์ที่มันสั่งสมมันสะสม ม, ม, มมันหมักหมมมันก่อตัวนี่แหละที่เขาเรียกว่าปั้นน้ําเป็นตัวปั้นน้ําเป็นตัว พุทธิยถาท่านก็บอกตรงๆอนัตตาอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตัวเพราะถ้ามีตัวปั๊บมันสําคัญมั่นหมายแล้วก็ยึดก็ก็ถือสังคมสังคมของเราวุ่นวายเพราะอะไรเพราะความถือตัวนี่แหละมาพิจารณาลองดูซิกูเป็นพ่อกูเป็นแม่กูเป็นลูกตอนเป็นลูกเล็กๆอาพิสิทธิสารพัทุกอย่างจะเอาจากพ่อจากแม่แก่เท่าไปแล้วช่วยตัวเองไม่ได้เรียกร้องอาพิสิทธิจากลูกบ้างเหรอตอนนี้ ลูกบางคนก็เห็นบุญเห็นคุณลูกบางคนก็ไม่เห็นบุญไม่เห็นคุณเพราะความต้องการความจาเป็นมันมีอยู่ดูสิคนแก่เท่าระดับพุนปู่ย่าตายายคนเท่าคนแก่ดูสิต้องการอภิสิทธิ์จากเราทั้งหมดแต่อันนี้มันมีความจาเป็นที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยบางทีก็ถือสิทธิ์นี่แหละเรียกร้องเอาตามต้องการก็ <laughs> ถือกูนี่แหละ ถืออายุกูเกิดก่อนถือความรู้กูรู้มากกว่าเถื อ, อํานาจกูใหญ่กว่าความถือตัวจึงเป็นเหตุยุง่งเหยิงวุ่นบายสารพัดหมดบนโลกใบนี้ทําลายความถือเนื้อถือตัวได้อยู่เย็นเป็นสุขความทุกข์ในหัวใจของเราของท่านเกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเกิดขึ้นเพราะความถือตัว ย้อนไปดูไปพิจารณาให้ดีพูดผิดหรือพู ด, พดถูกย้อนไปดูย้อนไปพิจารณาให้ดีพูดทั้งนี้เป็นกลุทธ์หมายป้ายทางน ะ, ะเป็นข้อเทพจจริงให้พวกเราหันมาดูหันมาพิจารณาทุกเพราะการถือตัวถือเนื้อถือตัวตัดหน้ากุยแล้วเบียดเบียนกุยแล้วทำลายทรัพ์กุยแล้วสรพัด ที่มันจะเป็นกูเป็นของของกูภาษาท่านใช้คำว่ามานะความถือตัวภาษาทางสังโยชน์มันมานะ ม, นมันอยู่สังโยช น, น์สังโยชน์บางบนสังโยชน์บาสูงมานะอวิชชา รูปราคาอรมปราคามานะอุดทัศจักอวิชชาตัวเองดีกว่าเขาดีกว่าเขาก็รู้รู้อยู่ยังมีความสำคัญว่าดีกว่าเขาอีกเนี่ยก็รู้อยู่ประจุเจ้าของเนดีกว่าเขาสำคัญว่าเจ้าของดีกว่าเขาต้องแสดงให้เป็นที่ปรากฏคุดที่กว่า ดีกว่าเขาสําคัญว่าดีกว่าเขาดีกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาเนี่ยดีกว่าเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขาเพราะระดับของจิตใจมันจะไปแง่มุมไหนจะไปช่องไหนมันถูกหดกับไอ้ความถือตัวไม่ไปสูงมันก็ไปต่ำมันก็มันก็ไป ก, ากลางๆนี่ก็คือความสําคัญมั่นหมายความถือเอามันไม่ใช่หลักธรรมชาติที่แท้จริงทีนี้เสมอเขา สำคัญตัวว่าเสมอเขาเสมอเขาสำคัญตัวว่าดีกว่าเขาแหมคำสำคัญสำคัญคือยึดเอาถือเอากะเอาเกณฑ์เอาบังคับเอาในใจตัวเราเองนี่แะเสมอเขาสำคัญ ว, ว่าเลวกว่าเขาแหมดูสิมันนึ่งอยู่กับที่ไหมไม่อยู่กับที่นี่คือคือถือตัวเรามาเทียบดูในหัวใจของเราดิเราจะ ไม่ได้รับความทุกข์แต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีได้อย่างไรจากสิ่งเหล่านี้ถ้าหากเราถือตัวเราอยู่ในที่ทำงานระวังตัวเป็นผู้ใหญ่เห็นผู้น้อยเดินมาขาดความเคารพขาดความสมมงรบระบาดระบาโด้วยกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยคำพูดด้วยกิริยาท่าทางที่เดินด้วยอะไรสักหน่อยหนึ่งถือตั ว, ลวเลยสย <c oughs> หาเรื่องเรียบร้อนกันเนละ <c oughs> หาเรื่องกระทุงกระแทก แกดันกันะ เ, เพราะถือตัวกิริยาแบบนี้นเป็นกิริยาทุกข์เป็นกิริยาแห่งความทุกข์ดูเราดงสมารของพุทธจ้ามละเอียดรอดถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นเพราะฉะนั้นในศาสนาของพราจึงไม่มีวันหะชาติชั้นวัญหะสูงต่ำใหญ่โตไม่มีราบเรียบเสมอเท่ากันหมดแต่โดยสมุดน้ง น, นั้นท่านต้องให้เคารพนับถือกันตามหลักของสมุิ แต่ในใจจะต้องเปิดสมมตเสมอราบเป็นปหน้ากลองไปหมดมเร็วกว่าเขาสําคัญว่าเร็วกว่าเขานี่ก็ไม่ถูกผิดดีเร็วกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาก็ผิดเร็วกว่าเขาสําคัญว่าดีกว่าเขาก็ผิดคือมันจะผิดหลักธรรมชาติไปหมดให้รู้อยู่เฉพาะตนพิจารณารู้อยู่เฉพาะตนแม้แต่ตนก็พยายามคลี่คลายให้เหลือแต่ผู้รู้คือสติคือปัญญาพิจารณาคลี่คลายไปทั้งหมด ถ้าหายังมีตัวมีตนอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเราได้รับความทุกข์จากการถือตัวถือตนนี่แหละมานะความถือตัวทิฏฐิมานะต้องอูต้อง ก, ตองกูต้องเอาตามกูต้องเอาตามกูทิฏฐิมณนะต้องเอาตามความเห็นของตัวเองนี่เขาเรียกทิฏฐิมาเทีย่ยงจน เอ็นคอขาดคนละไม่อยอมแพ้ทิฏฐิมาเนี่ยนี่เราดูสิ่งนะเนี้ยเรามาดูแข น, นเรามาดูฝอยเรามาดูอะไรข้างนอกที่มันกระ จ, จายออกมามาจากตัวไหนกว่าโลกเพราะสิ่งนั้นดูไปแล้วดีใจถูกใจชอบใจพอใจให้คุณค่าเพราะสิ่งเหล่านั้นรู้เหมือนว่า เขาใช้ความสุขใจด้วยแท้ที่จริงเราติดความสุขหัวใจของเราของท่านติดความสุขดูให้ชัดเจนมีใครปฏิเสธว่าเราจะไม่ติดความสุขไม่มีติดความสุขด้วยที่เราติดความสุขความโลภจิงเกิดขึ้นมีใครมาขันมาเข้ามาคาความโกรธยิ่งเกิดขึ้นจึงมีขึ้นมันเลือกข้างสิงดีมันชอบสิ่งไม่ดีมันผลานี่เรื่องใจของเราความโลภยังไงความโกรธไปอย่างนั้น ความโลภเสาะแสวงหาและก็เบียดเบียนกันความโกรธทาลายล้างอาฆาตพิยาบาตทั้งสองอย่างนี้ผู้ที่ไม่ได้ตังต้งใจฝึกฝนอบรมพุที่จะชาที่จะล้างเห็นแล้วเกิดความโลภเห็นแล้วเกิดความโกรธแต่ผู้ที่ตั้งใจฝึกฝนอบรมเห็นสัง่ารเห็นไม่โลภรู้อยู่ว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้อนนี้คืออันนี้ไม่โลภคัดข้ของอยู่แต่ไม่โกรธ รู้ว่นี้เขือนนี้อันนี้เขือ น, อ น, น, อนี้มีอะไรเป็นผู้มาชี้แจงมาชี้ชัดมาเป็นบรรทัดฐานในการที่เราจะเดินตามเหตุผลเหตุอันนี้ใครสร้างใครทําเราหรือเขาถ้าเราก็ ย, ยอนรับไม่ใช่เราเขาแน่ๆเลยก็ยกให้เขาไปเราไม่ต้องเอาเหตุผลไปขัดแย้งกันแน่ความขัดข้องหมองใจซึ่งกันแลกันจะมีมาจากไหนไม่มี นี่เป็นธรรมะระดับปรับจิตปรับใจของเราทําให้เรารู้จักตะล่อมหาความสวยให้กับหัวใจของเรานะใครฉลาดทันตรงนี้คนนั้นจะมีความสุขต้งยืนทั้งเดินทั้องนั่งต้องนอนไม่งั้นก็เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวความถือตัวมัดเอ๊ะก็เราเป็นนายจะให้เราถือตัวได้อย่างไงโดยสมมุติเราก็ต้องถือต้องดูต้องบอกต้องสอน และก็สิ่งที่สามารถปรับให้เกิดความนิ่มเสมอหน้ากันหมดก็คือความเมตตาความกรุณาความมุติตาความอุเบกขาที่เรียกว่าพรหมวิหารพรหมวิหารเป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่แต่เขาก็เอาไปเปรียบเทียบ ว, ว่าพระพรหมสีหน้าพระพรหมสีหน้าแท้ที่จริงก็คือหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะพึงมาจัดมาทำ เมตตาอยากให้เขาเป็นสุขเหมือนกับพ่อแม่ปรารถนาลูกเป็นสุขเลยเนะี่ยกรุณาปรารถนาลูกพ้นทุกข์ลูกติดเหล้าลูกติดยาบ้าโอ้ยทุกข์ใจระเกิดอยากยาก้ายพดลดูพ้นทุกข์ก็หาวิธีหาช่องทางช่วยไปลูกเก็บใขรได้ป่วยโน่นนี่ก็หาไปย้ายเขาพ้นทุกข์เขาพ้นทุกข์กดีแล้วเขาเรียนดีได้เขียนในยมันดับสองได้เขียนในยมันดับหนึ่ง พอแม่เออสาทุกปลื้มใจดีใจกับลูกของตัวเองนี่มุทิตาเพื่อนฝูงหรือใครก็ตามเรารู้เกติศัพท์ความดีงามของเขาเราก็มุทิตาพลอยยินดีถ้าไม่พลอยยินดีมันอิจฉากันนะออเอ๊มันอาจจะได้เหละทำไมเขาต้องได้ก็นะเหตุผลบอกชัดเย็นแล้วเราไม่ได้แต่เขาได้ แต่ว่าเขาสามารถมากกว่าเราออืเราหน้าจะได้ไมันต้องได้เราสิตาเป็นจริงมันต้องได้เรามันไม่ตาเป็นจริงที่ไหนตามเป็นจริงเราก็ต้องได้สิแน่แทนที่จะเออดีสาธุอนมุสาด้วยสาธุด้วยว ย, ยินดีด้วยแค่นี้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสจะ ต, ต้องด้วยใจจริงนะไม่ใช่เสแสร้งนะเสแสร้งแต่ปากนะใจมันมัดคิ้วคิ้วคิ้วคิ้ ว, วนะ ทำงานเท่ากับแข่งขันกันสองคนสามคนเนี่กับนายพยายามใกล้ชิดนายแต่เวลาได้อะได้คนสบายที่สุด <c oughs> ใจมันนิ่งไหม <c oughs> ไอคนที่หมู่เป็นหมู่เดียวกันใจมันนิ่งไหมถ้าไม่มีธรรมเนี่ยมันเดือดมันดานอยู่แค่นั้นแหละโอ้ยมันไปแอบขโมยดานนายมันต้องอะไร มุตทิปตาพลอยปลื้มยินดีกับเขาด้วยกระจกแต่ที่จริงปลงลงในอุเบกขาอุเบกขาไม่ใช่ท่านให้ใหทาใจนั่งเสบื้อซื่ออยู่ไม่ใช่ท่านให้พิจารณาถึงกรรมโอ้กรรมเขาดีเขาได้ดีโอ้เราไม่ได้เออกรรมเราไม่ดีเราไม่ได้ดีท่านให้ปลงถึงเรื่องของกรรมคนเรามันแพร่กันที่กรรมนะ แพ้กติกรรมเพราะเกิดมาด้วยกรรมเรามีพลังมากพลังน้อยเรามาด้วยกรรมอยู่เราก็อยู่ด้วยกรรมไปเราก็จะไปด้วยกรรมบอกแล้วกรรมมันเป็นตัวพลังขับเคลื่อนไม่ต่างอะไรกับน้ํามันตันหามันเป็นผู้เป็นคนขับไม่อเช้าก็พูดอยู่ถ้าจะเที่ยวก็ไม่ต่างอะไรกับคนโชเฟอร์ขับรถนะเครื่องจกักรเครื่องยนต์ก็คือตัวรถ แต่มันจะไปได้มันจะต้องมีน้ำมันใส่ให้มันอัตภาพร่างกายของเรามันไม่ต่างอะไรกับตัวถังรถไม่ต่างอะไรกับตัวถังรถกรรมเป็นผลิตผลของกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนผู้ขับเคลื่อนคือตัณหาในหัวใจของเราเราพูดเปรียบเทียบง่ายๆใครวาดรูปเก่งไปทปํารูปวาดรูปและอธิบายเขาแล้วกันมันจะได้เข้าใจดีขึ้น กรรมเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นพืชตัณหาเป็นยางเหนียวในพืชคือยอดอ่อนของพืชพืชที่มันจะเจริญ ง, งอกเงยงอกงามมันจะต้องมียอดอ่อนนะมันจะมียางเหนียวอยู่ในนั้นตัวนั้นเป็นต้นชีวิตของมันเอาไปเพาะในที่ดีอากาศเหมาะสมมันก็เจริญ ง, งอกเงยขึ้นมาแตกกลีบแตกเมล็ดแตกอะไรขึ้นมา เราอยู่ป่าเราเคยเห็นแต่ เ, เตม็ดมะข่าเนี่ยแหละมะข่ามองอะ <showc> <misschien. S 2> มะข่ามองพอเขาได้ที่นะเดือนสีเดือนห้าฝนเริ่มตกมาเลยดินมันชุ่มมชื้นนร้อนบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างร้อนก็อบให้มันแตกเย็นก็ได้ได้รับความชุ่มฉ่ำเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นสักหนึงมันตอบมันแตกขึ้นมาแล้วมันแทงอะไรขึ้นมาก่อนรู้จักไหมมะข่ามันแตกแทงอะไรขึ้นมาก่อน มันแทงรากขึ้นมาก่อนแปลกไหมมันแทงรากขึ้นมาปั๊บมันโค้งลงดินถ้าใครเคยสังเกตจะเห็นตน้นไม้อย่างอื่นเหมือนจะเหมือนกันมันแทงรากขึ้นมาปั๊บมันจะโค้งลงดินธรรมชาติมันบอกหลังจากรากลงดินไปลึกพอสมควรแล้วไอ้ตรงปลายตรงเมล็ดมันตรงยอดอ่อนเนี่ยมันจะค่อยๆเริ่มหลุดเริ่มร่วง ม, ม, มันก็จะดงขึ้นแล้วก็ยืนต้น นี่คือการเจริญมอกเงยของมันตัณหาเป็นอย่างเหนียวในใจของเราตัณหาคืออะไรอะความอยากในใจของเราแท้ที่จริงความอยากนำเราไปสู่พบพบนู้นพนี่พบภูมิทั้งหลายสาสเอภูมิเนี่ยไปด้วยพลังของตัณหาถูกขับเคลื่อนไปด้วยอนนานาจของกรรมตัณหามันเป็นคนขับ กรรมเหมือนน้ำมันอัตภาพร่างกายจะเป็นกายหยาบกายทิพย์กายอะไรก็ตามแต่เปรียบเสมือนรถมีรถมีน้ำมันมีคนขับมันก็ไปได้ไม่มีที่จบไม่มีจุดจบถ้าหมดน้ำมันมันก็ไปไม่ได้หรือหมดคนขับถึงจะมีรถมีน้ำมันมันก็ไปไม่ได้เป็นข้อเปรียบเทียบพอทำให้เราเข้าใจมาถึง อาตภาร่างกายของเรากับจิตใจของเรากับกิเลสในใจของเราเรา เ, าเอาตัวความอยากออกได้ทำให้เราหยุดความเกิดได้เพราะความอยากนำเราไปสู่ภพความอยากตัวหลักตัวประธานอันหนึ่งที่มีอยู่ในนั้นก็คืออัตตาอัตตาความสาคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนมันต้องมีตัณหาพาเราดิ้นไป เป็นอัตตานำเราไปสู่พบพ บ, พบคือที่เกิดจะมีที่เกิดได้จะต้องมีผู้หมายผู้หมายตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นผู้ที่หมายนี่เป็นเกรดของกรรมที่มีอยู่ในใจดวงนั้นใจดวงนั้นมีกรรมอะไรบ้างที่สังสมบุกรวมมาควรสมควรจะได้พบภูมิขั้นไหนหรอดับไหนธรรมชาติมันจักสันเองไม่ต้องมีใครไปจักสันธรรมชาติมันจักสันเอง ได้พบผู้มชั้นนั้นชั้นนั้นอ๋อเข้าไปดีเนาะเขาได้ไปเป็นเทวดาชั้นจ่าตุ้เดาวดึงยามาอะไรก็รับก็ตามแต่มันก็ไปตามตามหลักของกรรมหลักของธรรมที่เขามีที่เขามีสิลที่เขามีทำหรือไม่มาเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้ยเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีโอ้เสีแล้วเขาทําบุญอา น, นิสงส์การให้ทานของเขามีมากมายมหาศาลทำไมเขารวยเอารวยเอารวยเอาเอานี่ยราก็วางไป เพราะการให้ทานมีอย่างเดียวคืออำนวยให้เรามีอยู่มีกินมีใช้มีสอยไม่อดไม่หยากไม่ทุกข์ไม่จนไม่มีอะไรขาดไม่มีอะไรเขินเหลือเฟือสำหรับมาสนองความต้องการเราได้หมดทุกอย่างทุกเรื่องนี่คืออานาจของทานไม่ใช่ทานไปแล้วหายไปเฉยๆคนที่มองไม่ชะลุตัางหาเห็นเขาทาบุญกับทำทำท ำ, ทำนะเอามือมากรรมไปจนเหนื่อยโชคหมด<笑><笑><笑>เงินเกือบเปื่อยหมดหลงตานเทศยน ความฉลุดจากมือไม่เงินเกือบเป่วยเหงื่อมโชกจะปล่อยปล่อยไม่ได้จะปล่อยเสียได้เพราะไม่มีปัญญาดูไม่ะลุให้ไปแล้วได้อะไรไม่ใช่ให้ให้ไปแล้วหูจะได้มากมาหาสาลรางวันที่หนึ่งที่สองที่สา อ, อะไรก็ว่าไปมันหมายไปถึงอันนั้นคำพันธิหมายถึงความดีที่มันจะฝังอยู่ในหัวใจของตัวเองมันไม่ได้คิดยี่เราเธอจะ สติปัญญาของคนเนี่ยมันบังเราเนี่ยนะสติปัญญาของเราบังเรามีแค่ขั้นให้ทานเท่านั้นราละเอียดก็ไปอีกก็ศิ้นละเอียดก็ไป ก, ก็สมาธิละเอียดไ ป, ไปอีกก็ปัญญาตั้งใจปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อทําให้กรรมของเราดีขึ้นราบรืที่เรายังมีพบเป็นที่เกิดอยู่เราจะต้องไปเกิดในภพภูมิที่ดีแต่ความอยากตัวนี้เนี่ยเป็นตัวนาวิธี จัดการเพื่อให้เด็ดขาดเพื่อให้ช ง, งักงินกับพบกับชาติพระพุทธเจ้าท่านให้กําจัดความอยากกําจัดความยากได้ตัณหาไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดพบก็ไม่มีตัณหานําไปสู่พบพบนําไปสู่ชาติคือความเกิดพระพุทธเจ้าท่านตั้งใจปฏิบัติดับพบดับชาติดับความเกิด เราไม่ต้องพูดถึงแก่เจ็บตายจะเอามาจากไหนไม่ต้องไม่มีไม่ต้องพูดถึงโสกพริเทวทุกขโทมนัสเอาปายาไม่ต้องพูดถึงไม่มีในเมื่อต้นตอมันดับแล้วต่อเน่าหมดแล้วต้นมันก็ตายใบยมันก็ตายดอกผลยอดอะไรตายหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยูต่ตรงการข้ามกับพวกเรามิชาทิฏฐิยินดีในความเกิด แต่ไม่ยินดีในความแก่ไม่ยินดีในความเจ็บในความตายไม่ยินดีแล้วแต่ยินดีในความเกิดไม่รู้จักว่าไอ้แ ก, เก่เจ็บตายมันมาจากเกิดมันเดารู้สิหัวใจของพวกเราเหมือนผู้สูงอายุเอไอ้แ ก, เก่เจ็บตายนี่มันมาจากเกิดดินะทะําไงเราจะระ ง, งับความเกิดได้สามารถไหมพระองค์มีความสามารถไหมสร้างบา ร, รมีเสียสงขายแสนหัวกลับ ประเภทปัญญาที่กั่งเนี่งพระพุทธเจ้าของเราทุกวันแปด อ, อสองไขยแสนมหากรรสัพทาธิกะ16อสงไขยแสนมหากั บ, ธธกกบวิริยาธิกะผู้สร้างบารมีสิ้นระยะเวลาเนิ่นนานขนาดนั้นถ้าใจไม่สู้ใจถอยแล้วก็ไม่ได้คนที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมากมายมหาศาลยิ่งกว่าวัวเป็นแสนแสนตัวแล้วก็ขนวัวเป็นแสนแสนตัว แต่ผู้ที่จะได้รู้ผ่านพนไปได้แค่เขาวัวสองเขามาเปรียบเทียบลองดูสิเพราะฉะนั้นเขาพูดถึงสมัยที่พระองค์ลงจากเสด็จลงจากดาวดึงนะไปโปรดพระพุทธมัดาตลอดสามเดือนไร้มาตออกพรรษาก็กลับเสด็จกลับท้งเมืองอะไรเนี่ยสังกัดสานครนะ่ะเขาจึงมีการทำตักบาทเทโวะนะั่นนะวันนั้นเป็นวันอศัศจรรย์ เป็นอภินิหารอย่างหนึ่งทําให้มนุษย์เนี่ยมองเห็นเทวดามองเห็นสัรนรกทําให้สัรนรกเนี่ยมองเห็นโลกมนุษย์มองเห็นโลกสวรรค์ทําให้บนสวรรค์มองเห็นมนุษย์มองเห็นสัรนรกทั้งสามโลกกาะ t เนี่ยมองเห็นทะลุบูปงทั่วถึงกันหมดเกิดความอัศจรรย์เห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าแม้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยพระปรารภนาเป็นเหมือนพระองค์หมดกันวนะปรารภนาเป็นเหมือนพระพุทธเจ้า แต่มันก็เท่ากับวัวแสนแสนตัวแล้วขนในขนของวัวแต่ละตัวและตัวเยอะเท่าไหร่ผู้ที่จะได้บรรลุประสบผลสําเร็จแค่เขาวัวสองเขาพู้เราอยากพ้ทุกพวกเราก็เป็นภาษาพวกผูเราก็ไปสะดวกสบายเพราะพุทองค์มากรีดหมายป้ายทางให้เราได้รับความสะดวกสบายหมดวางแผนแบบแผนเอาไว้ให้ทั้งหมดนอกจากเราหูหนวกตาบอด ผู้ความเพลินไปในโลกมันครอบงำทําให้เรามองไม่เห็นท่านเมองมเห็นนางนาเข้าไม่ให้ถือไม่ให้เราถือไม่ต้องเคารพพ่อไม่ต้องเคารพแม่ไม่ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่เสมอเท่าเทียมกันหมดมันคิดภาษาบ้าบอของมันนี่มิจฉาทิฏฐิทําบุญไม่ได้บุญทําบาปไม่ได้บาปปฏิเสธเหตุผล มันมืดหนาตาเถื่อนขนาดไหนเรามาพิจารณาลองดูทีปฏิเสธเหตุปฏิเสธผลแล้วจะออกไปช่องไหนอะเนี่ยก็ะเป็นสะปะแล้วแต่ตันหามจะลาบไปอนะไรท่านี้สนุกมากเนะโอ้เสร็จกูและสบายกูและโอ้ลูกน้องกูเต็มไปหมดเนฮะทำไมไม่อายสาธุชนคนดีผู้ที่ น, นท่านถือทำ ประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมทำไมไม่ละอายเขามาประกาศป่างๆๆๆๆขายตัวเองมันนีอยู่ในสังคมเราเราฟังดูสิมนุษย์เราหากเกิดมาเพื่อช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทุกระดับชั้นอยู่ด้วยกันอารมณ์อโลยช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่ใครจะไปได้ดีได้ดีจะต้องรักษากรรมของตัวเองให้ดี รักษากรรมตัวเองไม่ดีก็ตัวเองนี่แหละทให้เราล่มจมเองแต่ความเป็นอยู่ด้วยกันให้มีการาร่มมารวยซึ่งกันและกันท่านจึงให้มีทานคือการให้ท่านจึงให้มีปิยาวายจาคำพูดอ่อนหวานอ่อนหวานปานน้าผึ้งได้ยิ่งดีอ่อนน้อมถ่อมตนสิ่งเหล่านี้ทำให้เราสบายใจทำให้เราสุขใจ อัตจริยามีการประพฤติประโยชน์ช่วยเหลือกันช่วยหยิบช่ว ย, ยกช่วยถือช่วยเก็บช่วยเมี่ยนช่วยอะไรจะไสรสารพัดได้ประพฤติประโยชน์ฝนจะตกช่วยเก็บผ้าให้มันจะเปียกฝนแน่นี่เขเรียกว่าประพฤติประโยชน์คนที่มองทะลุนี่ทำบุญได้ง่ายๆทําความดีได้ง่ายอนอกจากนั้นแล้วกัสิ่งหนึ่งที่คนมักจะมองข้ามทําตัวสม่ําเสมอ แม้แต่สามีภรรยากาันลองทำตัวไม่สม่ำเสมอต่อกันลองดูสิหนึ่งครั้งสองครั้งเท่านั้นแหละชักตาจะเริ่มเปลงแปลงแล้ว จ, จะเริ่มเขียวเขียวแปลงแปลงแล้วเคยพูดจาเคยทักทายเคยยิ้มย้มแจม่แจมใสเคยเรียกพูดคุยเคยเรียกดื่ม น, น้ำกินข้าวทานอาหารเคยเรียกไปทเที่ยวไปชมไปนู่นนี่อะไรต่ออะไรด้วยกันเนทําตัวไม่สม่ำเสมอชักจะมองอยากเป็นข้อเท็จจริงนะ คนเราลองทําตัวไม่ส ม, ม่ําเสมอต่อกันเนี่ยมันมองยากแล้วนะมันเริ่มมองยากแล้วนะอต่างคนต่างคิดแหละคิดมากแหละตาเห็นอยู่แต่ใจเนี่ยเกี่ยวกี่ยวเกิ่ยวเกิ่ยวคิดผิดคิดถูกไม่รู้แหละอืมถ้าเป็นคนมีธรรมสอยหนึ่งมีเหตุมีผลสอยหนึ่งก็ไม่เชื่อไอความนึกคิดของตัวเองยังไม่มีอะไรเป็นปิจักพยานหลักฐานเนี่ยสักหนึ่งเขาเข้ามาบอกเอ้ยใครมาเที่ยว กับคู่ของภรยาของคุณเห็นเรื่อยๆเนืองๆอยู่เนี่ยใครใครคุณเคยเห็นไหมแน่อันนีกกิ้วเราเข้าไปในหูแล้วสั้นๆสันหนึ่งเขาก็ไปพูดต่างฝั่งเมียบ้างเอ้ยเห็นสามีของคุณไปกับใครมาหลายล่นหลายครั้งหลายรอบแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ท, ท, ท, ทั้งๆที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงอะไรถ้ามีคนสอเสียดอย่างนี้คนน่ะมันฆ่ากันได้ง่ายๆเลยนะคิดแล้ว อ้าวสองคนไปเจอหน้ากันแล้วเป็นยังไงตาแปลกๆกิริยายแปลกๆใจแปลกๆบางคนใจอ่อนร้องไห้เลยบางคนอ๋อต้องเอาเอาใจกันหนักเหมือนกันนะทั้งทัที่ไม่มีอะไระฟังดูเถอะบนโลกใบ น, นี้สระพัดใครมีปรรัญญารักษาความสุขให้กับหัวใจของตัวเองได้ไม่ทิ้งสินไม่ทิ้งธรรมใครมีปรรัญญาดูไม่สลุ ทานก็ไม่อยากให้เสียได้ศีลก็ไม่อยากรักษาเสียเวลาเสียเปรียบภาวนาก็ไม่อยากทําเสียเวลานั่งทําไมนั่งหลับตาไม่เห็นได้อะไรสิ่งที่ได้เหนือกว่าที่เราไปเป็นระดับชั้นปกครอง ม, มีเงินเดือนแสนล้านสิ่งที่มันได้แต่เรามองไม่เห็นเรามองไม่ทะลุพุทธิยถท่านให้ความสําคัญที่ความสุขนะ ท่านไม่ได้ให้ความสําคัญที่ทรัพย์สมบัติมากมายไก่กองเท่ากับภูเขาแต่หาความสุขไม่ได้ท่านไมน่ความสาคัญท่านให้ความสําคัญมีพออยู่พอกินพอใช้พอสอยมีชีวิตจิตใจอยู่แบบสงบงบเงียบเป็นธรรมมีความสุขที่ไม่ต้องมีใครตามมารบกวนทำให้เราต้องเดาเพร้อนนี่พระเจ้ า, าให้ความสําคัญอย่างอื่นท่านไม่ความสำคัญนะเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราให้ทานมันจะมีคำว่ า, าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข หิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ใช่เพื่อความทุกข์นี่คือความปรารถนาบางทีต้องการความสุขอยู่แต่สิ่งที่เราทำนั้นมันไม่เกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์ไปในทางตรงกันข้ามคือความทุกข์เนี่ยเช่น อ, อย่างทรัพเราไม่บริสุทธิ์งานการเราไม่บริสุทธิ์ ข้ออ้างอิงเราไม่บริสุทธิ์หลักฐานเราไม่บริสุทธิ์บุบายเล่เหลี่ยมมายาสารพัดมันไม่บริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้สัหน่อยหนึ่งความจริงเปิดเผยขึ้นมาทุกเรามีคดีตัวอย่างให้ดูมากมายมหาศาลในเมืองไทยแล้วเรารูว้ว่าเถอะเราจะเลือกเดินตามใครเราต้องเลือกเดินตามพระผู้เจ้าให้ทางรักษาศีลหรือทำปฏิบัติธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีสติมีปัญญามีความฉลาดมีความรอบรู้มีเมตตาเพราะเมตตาเป็นเปรียบเสมือนน้ำชุม่มแช่จิตของเราให้อ่อนให้นิ่มข้าหากันเมตตากรุณามุทิตาโอเบคารืออีกกันหนึ่งก็คือมีการให้ทานมีการพูดจาอ่อนหวานนิ่มนวนการที่เราจะไปคาด ไปดาวสิ่งหู้นสิ่งนี้แล้วพูดชอตช็อตชอช็อออกมาเป็นเรื่องเสี่ยงร้อยทั้งร้อยจริงจริงห้ปอร์ซปอร์เซ็บางทีไม่จริงทั้งหมดเพราะเราพลงออกมาทางวิจีกรรมแล้วมันตกผึกเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมเรื่องเหานี้ต้องน่ากลัวไม่หน่ากลัวไม่ได้ดอกเห็นใครผิดหูผิดตาอะไรสักหน่อยหนึ่งไปช็อตชอตช็อตพูดได้เป็นปากปอกเป็นปาบอล ในสุเราทุกเราเองไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทำให้เราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องสอนใจตัวเองคนมีปัญญาสอนใจตัวเองได้คนไม่มีปัญญาแล้วแต่ภาวะแวดล้อมมันจะพาไปนะผู้พูดก็เป็นแค่มาช่วยกระตุน้นช่วยเตือนอช่วยชี้แจงช่วยแนะนำช่วยเปิดเพื่อให้รู้ข้อเท็จจริงเหตุแห่งความสุขยงแท้จริงเหตุแห่งความสุขยงแท้จริง พอเท็จจริงก็มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เมื่อกี้เราไปพูดถึงอะไรเราพูดถึงทานปิยะวิจาอัตถ์จริยาพระพุทธประโยชน์ตอกันด้วยกันแล้วก็ข้อสำคัญอีกคือสัมมาณตรธต้องทำตนเสมอต้นเสมอปลายทำตนไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายแม้แต่าสามีภรรยาก็เขมนกันแล้วไม่ต้องพูดถึงเพื่อนร่วม ง, งานไม่ต้องพูดถึงผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือผู้อยู่ ผู้บังคับบญชาของเราลองทําตัวไม่สม่ําเสมอปะจะต้องมีอะไรผิดปกติแล้วจะต้องมีอะไรผิดปกติคนที่ทําตัวไม่สม่ําเสมอทําให้เราชักจะเริ่มมองอย่างยากแล้วมองอย่ากๆแล้วเรื่องราวนี้เราดูเป็นคติต้องพยายามทําตัวฝื้นใจให้เป็นผู้สม่ําเสมอโดยเฉพาะอยากให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขกับลูกกับเต้ากับสามีกับภรรยา ทำตัวสม่ำเสมอเคยพูดเคยจะเคยคุยเคยนู่นเคยนี้เคยเป็นกันเองอย่างนั้นอย่างนี้ทำตัวสม่ำเสมอทําให้เราตายใจกันได้ทําตัวไม่สม่ำเสมอปั๊บโอ้ไม่ตายใจแล้วจะนี้กับบ้านแล้ว <laughs> ไ, มไม่ตายใจไม่ฝากตายแล้วจะหนี้กับบ้านแล้วไม่เป็นที่ไว้ใจแล้วไม่สม่ำเสมอแล้วเรื่องเหล่านี้เรามีเราเห็นเป็นอาชิพ แต่โอกาสที่เราจะเขิดจลาหรือคนที่ทำจะเขิดจลามันไม่มีมัน ม, มีอะไรมากระตุ้นเตือนอยู่ตีบตันอั้นโต อ, อยู่อย่างนั้นแหละเพลินไปกับโลกสงสารที่จะเรียกว่าเพลินในโลกสงสารพิรตตะพิรโตพิรตะสัญญาสบะโลเกพิรตะสัญญาเพลินไปบนโลกอุฏิเจ้าท่านให้เจริญสัญญา สัพพโลกอนาพิรตสัญญาทำความหมายว่าโลกนี้ไม่น่าเพลิดเพลินแม้มันดึงจิตของเราออกไม่ได้มันติดเพลินไปในโลกนี่แหละเพลินไปกับโลกติดใจไปกับโลกเป็นอนาพิรตะสัญญาสัพพะโลกีอนาพิรตะสัญญาสัญญาก็คือการคิดดัดแปลงเอาซื่อๆนี่แหละ คิดเอาเฉยๆนั่นแหละแต่มันเป็นข้อปฏิบัตินะที่พระพุทเจ้าท่านสอนให้พระอานนท์เรียนสัญญาสิไปอ่านดูอันนี้จะสัญญาทุกขะสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาอารีนภะสัญญาสาคัญมันหมว่าเป็นโทษสัปปะโลกอนัตพิรตตสัญญานี่คือสัญญาสิบพี่สัญญาคือ ความจำได้ความหมายรู้เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งทำให้เราเกิดปัญญาตราบใดปัญญายังไม่เกิดเราจะต้องใช้สัญญาตัวนี้เลยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเราอย่าไปใช้แต่สัญญาอย่างเดียวมันผิดพลาดคำว่าสัญญาหมายความว่าคาดคาดเ ด, ด, ดาเดาเป็นตักก ะ, ะไม่ใช่ยาในศะาสนะเป็นตักกะเพราะฉะนั้นบรรดาหลักปรัช ญ, ญานักปรัช ญ, ญาทั้งหลายนะเขาใช้หลักต ก, กะ คาดคาดเดาๆแล้วก็ตัดสินใจเอาคาดคาดเดาเแล้วก็ตัดสินใจเอานักตักกะนักจินตักคือนึกคิดปรุงนักตักกะตักกศาสานมันมีอยู่แต่พวกนี้เขามีความคิดสอดแทรกละเอียดเข้าไปนะอ า, อาศัยว่าปัญญาจะเกิดได้จากมีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือ ก่อนที่ปัญญาข้อเท็จจริงจะปารากฏขึ้นมันจะต้องอาศัยสัญญาคาดหมายเดาหมายอ้าวท่านให้เราเจริญอสุภสัญญานะเพื่อมันเป็นการตัดความกำหนัดรักใคร่ยินดีในสิ่งที่เรารักเราชอบใจโดยเฉพาะมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยมันชอบกันเนี่ยเพื่อที่จะได้ตัดความให้ความสําคัญแก่กันและกันอสุภสัญญา สำคัญมา่หมายว่าปฏิกูลโสโครกไม่กไม่สวยไม่งามหน้าเกลียดโสโครกดูปฏิรูปปฏิกูลโสโครกอสุภาพอสุภาพความไม่งามสุภาพแปลว่าความงามอสุภาพคาว่าไม่งามก็ดูไปที่ข้อเท็จจริงแท้ที่จริงมนุษย์เรามันฉาบฉวยเลยเป็นเหตุให้เราติดว่างามว่างามว่างามถ้าเราดูข้อเท็จจริงของมนุษย์แล้วมันไม่มีอะไรที่จะทําให้เรามีแต่สิ่งที่จะผลักเดาน มีสิ่งที่จะผลักเราเท่านั้นเองแต่ด้วยเหตุที่มันเยอะใหญ่อยู่ข้างในมันทําให้เราเว้นจักมันได้ยากมากแต่มันก็สัญญานี่แหละมันมัดหัวใจของเราจะทําให้เรารื้อออกอย่างมันได้ยากมากรื้อออกได้ยากเพราะสัญญามันเหนียวแน่นมันมั่นคงมันไม่ใช่เพิ่งเกิดเพิ่งมีหลายพบหลายชาติหลายกลับหลายกันและดูเถอดดูหัวใจของเราน่ะเาดูที่เอามันออกได้ยากออกได้ง่ายดูมันพุทิยถาท่านที่ให้เกเรนสิ่งเหล่านี้ ให้เกินอสุภสัญญาให้ดูปฏิ ส, สัพศดูปฏิยางอื่นยังมันยังไม่ถึงใจหรอกถ้าเราจะดูอสุภสัญญาให้เกิดประโยชน์นะเราจะต้องดูภาพที่ทั้งน่าเกลียดทั้งน่ากลัวมันถึงจะได้ประโยชน์ถ้าเป็น ส, กสักศบอู้สักศพทั้งน่าเกลียดทั้งน่ากลัวทั้งน่าสะิดสะเอียนมันถึงจะได้ผลบางทีเราไปดูเต็นอนเจาะยอยเยืเฉย ๆ, ๆ, ๆภาพเหล่านั้นไม่น่าเกลียด หเห็นรูปฟันหเห็นรูปปากากอ่าตาโบหรือแต่กระดูหรือแต่นั่งหรือแต่สิ้นหรือแต่อะไรต่ออะไรที่มันปฏิกูลโศโครกเม้นคลุงเดาหมายเอาสัญญาเอาอย่าลืมว่าใจของเรานี่เราสัญญามาหลอกมันก็อยู่หมันกันนะเราหลอกเราเองนะะปกติ กิเลมันแทรกเข้ามาในหัวใจของเรามันหมายหมายว่าสุภาพสวยเหลือเกินงามเหลือเกินแต่เราเราไม่ปล่อยให้กิเลสเข้ามาเราใช้สติธรรมสมาธิรำปัญญาธรำหมายให้เป็นอสุภะไม่งามน่าเกลียดโสโครกเป็นรูปเนา่าเป็นรูปเป่วยน้ำเหลืองน้ำเขียวไหลเยิม้มนอนเจอบยุยเยียยุบยักยุกยับยุบยับยุบยั บ, ย บ, ยบกำหนดดุกดินกับฟุ้งคลุ้ง กำหนดรูสีโครงกำหนดดูหัวกำหนดดูผมมันหลุดมันร่วงโอ้โหทั้งหน้าเกลียดทั้งน้ากลัวดูอสุภะแบบนี้ให้ติดหูติดตาเพื่ออะไรเพื่อเป็นโล่ป้องกันความกำหนัดรักใคร่ยินดีในใจของเรากิเลสมันหลอกเราได้เราก็ใช้สัญญาณหล อ, อกมันได้เหมือนกันตราบใดที่เรามีโล่ปกป้องเรากยายามจบทะลวงทะลุงลงไป ให้ถึงหลักความจริงของมันแม้แต่หนอนมันก็เป็นธรรมชาติของมันมันเจาะยุ้ยยุยับยุบยับดูไปให้ถึงหลักธรรมชาติของมันน้ำเหลืองน้ำเขียวก็สักแต่ว่าธรรมชาติของมันกลิ่นก็สักแต่ว่าธรรมชาติของมันเนื้อหนังมางสังที่มันเปื่อยมันยุ่ยและจนหน้าเกลียดหน้าคลัวมันก็เป็นธรรมชาติของมันดูให้เข้าให้ถึงหลักธรรมชาติแล้ว ความหน่าเกลียดไม่มีความน่ากลัวไม่มีนี่หมายความว่ามันดูทะลุทะลวงเลยไปแล้วนะคำว่ า, าเลยไปแล้วหมายความว่าสุภาษก็เลยไปแล้วอาสุภาษมันก็เลยไปแล้วเข้าถึงหลักธรรมชาติแท้ที่ยิงที่ท่านให้เราดูเราให้เราดูเพื่อเข้าถึงหลักธรรมชาติแต่มันเข้าถึงหลักธรรมชาติไม่ได้เพราะสัญญาณลมที่มันเคยมาเกาะมาเกี่ยวตรงนั้นตรงนี้มันเกิดกำนังรักใคร่ยินดีซสียก่อนมันไปยังไม่ถึงไหน เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เจรณอสุภานี้เพื่อเป็นโล่สกัดรัดกัน้นกิเลสตัณหานในหัวใจของเราอันนี้ได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์ตั้งแต่ธรรมะพื้ น, พ, นพื้นไปจนถึงธรรมะนู่นระดับพระอนาคา ม, มีไม่ใช่เรื่องธรรมดานะใครมีจิตพิจารณาหลักสุภาษสุภาเป็นอลักสุภาษณ์สุฟังในใจของตัวเองเป็นประจำคนคนนั้นจะสามารถยังเข้าถึงหลักธรรมชาติได้ง่ายเรื่องหลักของธรรมชาติเราจะเราจะยังเข้าถึง อะไรก็ได้ที่เป็นรูป ก, ก็ได้ที่เป็นเวทนาก็ได้ที่เป็นสัญญาสังขารวิญญาณอย่างเข้าถึงได้ทั้งนั้นอย่างเข้าถึงเวทนาอย่างเข้าถึงจิตอย่างเข้าถึงธรรมอย่างเข้าถึงหลักธรรมชาติเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นรปรรมรดิพันธ์พระธรรมขันธ์ผู้ที่เข้าถึงธรรมทั้งหมดแล้วคนนั้นจิรรตจะต้องเข้าถึงหลักธรรมชาติคืนคลายให้กับหลักธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นไม่มียึด จริงใดลืออยู่ในหัวใจของเราม้เล็กแมน้อยแตัวเองก็ไม่มีเหลือแต่เหลือแต่มัดสติธรรมปัญญาธรรมทําลายหมดทําลายหมดความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาหรือปาทานเนี่ยมันก็ผลผลทุกผลโทษสิ่งเหล่านี้ไปได่ดูที่วิธีการสอนของพระพุทธเจ้าละเอียดไหมละเอียดมากโอกาสที่เราจะมาสอนมาบอกมาสอนตัวเราเองเนี่ยแป๊บเดียวในชั่วโมงกว่าแล้ว เรพูดแป๊บเดียวเรายังวกวนอยู่นี้ยังไม่ได้ไปไหนหมดเวลาไปตั้งชั่วโมงกว่าแล้วนะถ้าเราตั้งใจฟังตามนี้เราไม่ปล่อยจิตไปที่อื่นหรือเราตั้งใจอยู่กับบทบริกรรมของเรากับอารมณ์ที่เราตั้งกำหนดจุดจอยให้กับตัวเองแค่นี้ก็ถือว่าเป็นภา ค, บ, าคบังคับภาคเหตุภาคเหตุนี้เราต้องบังคับนะแต่ภาคผลเราบังคับให้เกิดตามใจหวังไม่ได้รอก แล้วแต่มันจะเป็นมันจะเป็นเองใครที่ชอบคาดเดาให้ผลปรากฏขึ้นคนนักคนนั้นมักจะโดนต้มโดนลวงถูกสัญญาเรามันลวงพอมลวงขึ้นมาพับแก้ไขตัวเองไม่ได้ยึดเอายึดเอายึดเอ า, เอาสาคัญมั่นหมายเอาทำแตกที่ธนวัฒน์ทำแตกนี่แหละทำแตกไม่มีความรู้สึกตัว การที่เราตั้งใจมีสติมีสัมผัจันทร์กำหนดจดจ่อรู้เท่าทันรู้ตัวทุกทุกทุกอิริยาอาการเป็นตัวของตัวไม่มีโอกาสที่จะหลงเคลื่อไปตามสัญญาอารมณ์คาดหมายเดาเขาแล้วเข้าไปแล้หาช่องออกไม่เจอยึดเอาทั้งแท่นยึดเอาทั้งดุนหลงเคลื่อนอยู่นั้นหาช่องออกไม่ได้นี่แหละแม้แต่ธรรมะเบื้องสูงท่ากับพูดถึง แสงสว่างเกิดขึ้นโอภาสยามปิติปัจสัติสมาธิปัญญาปัญญายามแต่ละอย่างแต่ละอย่างเกิดขึ้นท่านให้รู้ให้รู้ให้รู้ให้รู้ให้รู้เราไปดูในหลังมหาสติมหาสติปัฏฐานนะไม่ใช่สติปัฏฐานเฉยสติปัฏฐานเฉยนะท่านเอาแต่หัวข้อมาให้เราสวดไปดูในหลังมหาสติปัฏฐานท่านเอาละเอียดละเอียดมาทั้งหมดเลย แต่ละบทแต่ละบทท่านจะสุกเหมือนกันหมดรู้ยืนก็นรู้เดินก็นรู้นั่งยืนเดินนั่งนอนรู้หมดกิ น, ด, นดื่มทําพูดคิดรู้หมดตามดู ก, กายตามพิจารณากายปฏิกูลโสโร่อย่างไรตามอู ก, กายพิจารณากายเป็นป่าช้าดูใบ ป, ป่าช้าข้างนอกแล้วก็เทียบเข้ามาข้างในโซอิมะเมวะกายยังอุปสัรคภรติ อ๋อกายนี้เป็นอย่างนี้หนอะเจนยังไปเห็นซากสมในป่าช้านะอายามปิโคกคโยแม้กายเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เอวังธรรมโมมีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีคงเป็นอย่างนี้เอวังอนติโตร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ดูสิพรุทธเาท่านสอนนี่อัจฉัดตาวาปหิต ท, ทาวาอัจฉัดตาวาคือพิจารณาข้างนอกแลมาเทียบข้างในประหิต ท, ทาวาพิจารณาข้างในไปเทียบข้างนอก บทสุขของท่านจะเหมือนกันหมดไปดูแล้วเราจะได้ข้อปฏิบัติที่ละเอียดมากเป็นเหตุให้เราหลงเพลิมไปกับความลึกความคิดที่ออกนอกรูกนอกฐานได้ยากอยู่แน่วบนเช้นฐานที่ทำให้เราเบื่อหน่ายคลายจากจากตันหาไอ้ตรงที่ท่านพูดชัดเจนที่สุดท่านพูดถึงสมุทยัยแล้วก็ท่านพูดถึงนิโรธสมุทัยคือตันหาเกิดนิโรธ ค, คือตัหาดับ สมุทยคือตัณหาเกิดนิโรธคือตัณหาดับตัณหาเวลามันจะเกิดมันเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจมันเกิดที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสแท้ที่จริงมันเกิดมันเกิดที่ใจตาเป็นเหตุกระทบให้เกิดรูปเป็นเหตุกระทบไปเกิดหูเสียงเป็นเหตุกระทบไปเกิดจมูก เปลี่นเป็นเหตุกระทบให้เกิดลิ้นรดเป็นเหตุกระทบให้เกิดแต่เวลามันเกิดนเกิดที่ใจกว่าใจดวงเดียวนี่แหละแสดงโลกนี้ปรากฏกับเราลองเราไม่มีใจเราจะเหมือนต้นเสาเราจะเหมือนหมอนลกหนึ่งมีความรู้สึกอะไรมีความสําคัญมั่นหมายอะไรในตัวเองเราจะเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งจะมีความหมายอะไรไม่มีความหมายนี่มีความสําคัญอยู่นะใจของเรานะสําคัญแท้ๆเพราะฉะนั้นใจ สร้างทุกขให้กับเราเองสร้างสุขให้กับเราเองปล่อยทั้งสุขปล่อยทั้งทุกข์ก็ใจนี่แหละเป็นคู้ปล่อยเดี๋ยวนี้พวกเรายุดยึดสุขเราน้อมเอียงไปเพื่อสุขเราเกลียดทุกข์เราโน้มเอียงไปเพื่อสุขเพราะอะไรเพราะสุขมันไม่ต้องอดต้องทนมันช่มชื่นเบิกบานกิริยายิ้มแย้มแจ่มใสความสุขทําไมเราจะไม่ติดแต่ความทุกข์มันต้องอดต้องทนลองดูสิเราไป ร้อนเปียงร้อนเปียงๆยง่งนหนาวสั่นเทิอยู่นั่น่ะไปอยู่ในที่ยุ่งเป็นฝุงๆขบไม่เจาะเจาะซ้ายเจาะขวาอยู่ในที่ที่มีของแหลมของคมมาทิ่มมาแทงมาบาดมาควนเรายอมรับได้ไหมเรายอมรับไม่ได้ทําไมเราจะไม่รังเกียจความทุกข์มันต้องอดต้องทนไอ้แค่ทุกขเวทนาเธอที่เรานั่งเนี่ยนเะ้าลองรู้ไอ้แค่ทุกขเวทนาที่เรานั่ง เราภาคภูมิใจไหมเนี่ยปวดซ้ายปวดขวาปวดขวาปวดซ้ายแต่นั่นเป็นสัจธรรมปรากฏเฉพาะหน้าเราแต่เรามีวิบายนิวิธีมีเครื่องไม้เครื่องเื่อนตำหลักมหาสีฐานเรามาดูได้ดูเวทนาเราหัดดูสุ ข, ขเวทนาด้วยเราหัดดูทุกขเวทนาด้วยเป็นข้อเทียบเคียงกันถ้าพูดถึงกายเวทนาจิตธรรมพูดกันบ่อยๆพูดกันหนึ่งๆแต่ต้องเอามาใช้ใเป็น ถ้าเอามาใช้ไม่เปลี่ยนให้มันคล่องแคล่วอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้โหมันจะแตกกระจายกระสานสั้นเสียนไปหมดแหละทะลุผุปโปร่งไปหมดจับหลักใจดวงเดียวเนี่ยมันจะทะลุุ ป, ปร่งกระจายไปหมดตามหมูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงที่รถโพธิภพธรรมรมวิญญาณหวิญญาณหกัทสห ก, สหกเวทนาหเนี่ยสัญญา6สัญเาตนาหตันหา6วิโตหกวิจารหที่ท่านพูดออกไปเนี่ยมันเป็นการฆาดกันเราของใจของเรา คาดดาวด ว, ดวงกรหม่อมนี่หม่อนี่หม่อนี่แต่ละอย่างแต่ละเรื่องท่านก็เรียกชื่อไปคนละอย่างคนละอย่างวิญญาณผัสสะคือกระทบเนะวทนาเวทนานี่คือเกณฑ์นในการกระทบกระทบอะไรปับ๊บหนึ่งดีสองไม่ดีสามเฉยเฉยคือต ก, กลางเวทนาแท้ที่จริงเวทนาตัวนี้มันเป็นศูนย์รวมธรรมนะนะใครยักได้สวรรค์เราก็ได้ตรงนี้เราถือได้ตรงนี้เราจะไปสวรรค์ได้เราไปนกรกได้ก็ตรงนี้ เราจะถึงสุขได้ตรงนี้เราจะถึงทุกข์ได้ตรงนี้เราจะเลือกเกิดกิเลสก็ตรงนี้เราจะดับกิเลสได้ก็ตรงนี้ต้องเวทนาเนี่ยคือความรู้สึกเนี่ยดูมาที่ความรู้สึกเวทนาสุขไหมสุขต้องรู้ถ้าไม่รู้มันติดมันเกาะเกาะแล้วก็หมายแล้วก็ยึดความโลภ ก, ก็เกิดขึ้นตัญหามันเกิดขึ้นรู้ว่าทุกข์ไหม ทุกต้องรู้ไม่รู้มันหมายมันก็เขียดแคนอาคาตพยาบาทจองร่างจองผลานฆ่าแกงกันสรรพัตแน่สาเหตุมันมันปลายมันตามมาต้องรู้หมดเฉยเฉยเฉยเฉยมันจะอยู่ได้สักเท่าไหร่มันพร้อมที่จะโน้มเอียงไปมันตัดสินยังไม่ได้บ้างมันสุขหรือมันทุกมันตัดสินใจยังไม่ได้มันจะเอียงซ้ายหรือมันจะเอียงขวาใช้มันอยู่อย่างนั้นเฉยเฉยมันมันจะไม่อยู่อทุกขมสุขที่ว่าไม่สุขไม่ทุกเนี่ย มันพร้อมที่จะนมเอียดน้องเอียงไปเพื่อสุขเพื่อทุกดูให้เห็นมันอยู่นอกใจเรานะมันไม่ใช่อยู่ในใจนะเพราะฉะนั้นจึงสามารถเอาสติเอาปัญญาในใจของเรามาดูได้มาพิจารณาได้เราเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าละเอียดออกมากอาจารย์ของพรงนะองค์น่ยติดแหะติดในความสุขนะ่ยไม่ยอมพิจารณาความสุขนะเวลาต้องการความสุขก็เข้าสมาบัติุทกัฎยาบทอารเดาบ ท, อาาบทโอ้ยอะไรจะมีความสุขยิ่งใหญ่เท่ากับ รูปปัสมาบัติรอารมณ์ปสัสมาบัติไม่มีแล้วเวลาต้องการความสุขเข้าสามาบัติต้องการความสุขเข้าสามาบัติออกไม่ได้ไอ้ผู้ที่ต้องการ น, นั่นแหะจนกลายเป็นตัวเป็นตนไม่เคยย้อนไปดูจนมันกลายเป็นตัวเป็นตนถ้าไม่มีตัวไม่มีตนจะเอาอะไรมาสุขโง่แน่เถียงทําไม่มีตัวไม่มีตนเอาอะไรมาสุขความสุขเป็นภาวะอหนึ่งที่เกิดขึ้นที่จิตของเรารู้ท่านให้ย่อยให้สลายให้ละลายมันออกไปจนหมด ลองย่อยลองดูลองสลายลองดูเราพิจารณาความสุขยังไงความทุกเราก็พิจารณาอย่างนั้นเช่นอย่างเรานั่งนานๆเนี่ยเราสุขเราทุกข์เนี่ยจอ่อลองไปสิพิจารณาเข้าไปสิละลายเข้าไปสิจิตของเราอยู่ตั้งหางไอ้ความทุกข์นะั้มันอยู่ตั้งหานะดูไปเอาสติสัมผััญญากำหนดจดจอดูเอาสมาธิกำหนดจดจอดูแต่ต้องมีพลังนะไม่มีพลังสู้ตัณหาไม่ได้เพราะตัณหามันยึบเป็นเมืองครองเข้ามันมาไม่รู้ตั้กี่กับกี่กันแล้วล่ะ พราะมันปวดขึ้นมาปั๊บเราปวดหัวเข่าเราปวดหลังเราปดวดเราโผล่ขึ้นมาทันทีตั้นหามันก็โผล่ขึ้นความโน้มเอียงไปเพื่อตั้นหาแสดงว่ามันมัดเราได้แล้วเสร็จเป็นเมืองขึ้นขึ้มันึ่งส้นหนึ่งกระพริบแล้วก็เปลี่ยนแล้วเออไข่แนวไข่แนวคอยยังชั่ว Stevie มันร้อนหมดทั้งหลังร้อนหมดทั้งคนพอขยับส้นหนึ่งเออคอยยังชั่วหอบใจตัวเอง สนุกหนะนาพิจารณาดีน ะ, ะเราตั้งใจทําเรานึการตั้งใจปฏิบัติธรรมธรรมะพื้นๆไปจนถึงธรรมะแนวปฏิบัติที่ละเอียดแล้วก็จะพูดไปเป็นอย่างๆเป็นเรื่องๆอสิ่งละอันพันละน้อยไปแต่เราก็ถือเป็นคติเป็นตัวอย่างได้โดยเฉพาะอย่างเกีย่ยวกับเรื่องตัณหาเนี่ยเราดูเถอะมันเกิดมันเกิดที่ใจดวงเดียวมันไปเกิดแต่เหตุปัจจัยที่ส่งเสริมให้มันเกิดโอ้ทะลุปลุปลง ห้าสิบหกสิ บ, ส บ, สบช่องเรามาคิดลองดูดิโอ้เราจะเอาปัญญาชนไหนไปปกไปป้องแต่ถ้าเราศึกษาตามแนวทางนี้ก็มาจดจ่ออยู่ที่ใจยอย่างอื่นมันก็ร่วงหมดช่องประตูอย่างทุกปิดหมดเพราะใจดวงเดียวแสดงโลคนี้ปรากฏให้มันอยู่เฉพาะหน้ากับงานอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นก็ตกไป น, นั้นก็ร่วงไป น, นั้นก็ร่วงไปเอ้ยปิดตรงนี้มันใแย่ตรง น, นั้นปิดตรงนั้นมันแย่ตรงนี้ไม่ใช่ กิเลสมเกิดเกิดที่ใจนี้มันไม่เกิดที่อื่นดาบมันก็ดับที่ใจนี้มันไม่ไปดับที่อื่นตราบใดที่เราอ่อนแรงต่อสติสมาธิปัญญาในใจของเรากิเลสมันก็แทรกแทรกแล้วประตูไหนช่องไหนมันพร้อมเชื่อเกิดได้ทั้งหมดแต่ถ้าเราเอามันอยู่หมัดช่องประตูเหล่านั้นถึงไม่มีใครเฝ้าใครยามมันก็ไม่มีอะไรไปเข้าเพราะตัวร้ายกานอยู่ที่อันนี้ตัวเดียวเนี่ย ตัวความอยากมันอยู่ที่ใจแต่ที่จริงความอยากคือกิริยาของใจของเราอาการของใจของเราเพราะมันเป็นติตจุกมันเป็นติดทุกข์มันดิ้นรนไปเพื่อสุขเพื่อทุกข์แสดงว่ามีเรื่องทําให้เดือดให้ด่านความโกรธมันก็ดิ้นไปเพื่อความโกรธนั่นแหละคนนั้นทําให้เครียดคนนั้นทําให้โกรธนั้นน่ะดิ้นไปอย่างหนึ่งนะเพราะมันได้ประสบความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นมันดิ้นไปเพื่อความสุขความดิ้ ด, ดิ้นไปของใจของเรา ปรียบเสนอเป็นกระแสที่ทตนิพพากกระแสตัณหากระแสของตัณหานี่ยหยุดได้ด้วยสติยาณิโซตาน้สติเตสรชะเนวารณะกระแสเหล่าใดมีอยู่ในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นจอสติปั๊บหยุดอยู่ทันทีหมายว่าเราสร้างอารมณท์ที่เด่นชัดกว่าเพื่อสกัดกั้นความอยากแล้วนะมันก็หยุด ดูไปที่ข้อเท็จิงของมันด้วยญาณิโสตาณิสติเตสร้างในวรณมะโสตานังซังวังปรุมิตรปัญญาเยเตปิทิเยเรก็แฉเหล่านั้นจะถูกตัดให้ขาดได้ด้วยปัญญาเพราะยังปัญญาจึงเป็นเรื่องเด็ดขาดในระหว่างที่ปัญญาญาณยังไม่เกิดขึ้นเราก็ไปเจริญปัญญาปัญญาปัญญาถึงขีดถึงขั้น กลายเป็นปัญญาอีกอยาเร็จรูปสําเร็จรูปมาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยทำให้เราได้ผลเนี่ยเราจําสุภาษิตบทนี้ได้เราก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาได้สติเป็นเครื่องกันก้นกระแสแล้วก็ทดสอบไปเลยสติกั้นกระแสได้จริงหรือเปล่าลองตั้งจิตให้โกรกขึ้นมาความอยากกำลัดรักใคร่ยินดีอยู่เฉพาะหน้าเรามันหยุดนะ มันหยุดเพราะอะไรเพราเราสร้างอารมณ์อีกตัวหนึ่งมาทดแทนดูไปที่ข้อเท็จจริงของมันแท้จริงความอยากก็คืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตามความอยากในใจของเรามันถนัดเหมืนวิ่งไปเกาะ น, นั่นแหละจนมนรวมมันรวเป็นกลายเป็นวิบากกรรมมันเป็นเรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องของเหตุผลมันไม่มีอะไรพูดไปแล้วมีแต่เรื่องกรรมเรื่องของเหตุของผลแล้วก็เรื่องของวิบากกรรมผลของกรรมที่ตกผลึกเหลืออยู่ เพราะฉะนั้นใครมีราคะจริตใครมีโทสะจริตใครมีโมหะจริตโลโทสะจริตขมอ่องจองเฉ่งมีนิสัยชุนเฉียวอยู่ก็เพราะคนนั้นชอบใจอย่างนั้นแล้วก็ทำมาอย่างนั้นจนชินกระดูกกรดิกพลิ้แพลงขึ้นมาก็แสดงกิริยาแบบนั้นใครมีนิสัยอ่อนนี้มีสติ ม, สตมีสัมผััญญาอยู่ทํามาจนชินตั้งใจก็เป็นไม่ตั้งใจก็เป็นเพราะอะไรเพมันชิน เหมือนกิริยาของเสือของแมวนิสกิริยาของสัตวน์นักที่เจ่ะของอะไรต่ออะไรนะกิริยา ม, มันนิ่มนวลเพราะมันทํามาอย่างนั้นจนชินจริตจิตใจนิสัยของเราก็เช่นเดียวกันพอทำมากๆหนั ก, นกๆเข้าตกพลึกเป็นวิบากกรรมมันสั่งสมกรรมทุกอย่างทุกเรื่องมันสั่งสมในตัวของมันผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมสังสมแต่ธรรมเป็นอากินจนมีแต่ธรรมมีแต่ธรรมในหัวใจไม่มีกิเลส กิเลสเกิดไม่ได้ไม่ปล่อยขณะคิดให้กิเลสมันหลุดออกมาได้ในที่สุดสัญญาอารมณ์ที่มันฝังไปหน่วยใจของเรามันก็หมดโอกาสถึงคิดถึงขั้นมันก็ปลิ้นหน้าหายไปเลยไม่มีอะไรตกค้างเหลืออยู่เป็นสั จ, จธรรมที่ไม่มีตัวไม่มีตนตกค้างหเห็นอยู่ให้เหลือดูดิพิจารณา ด, ดีถ้าไม่ใช่อาการความโง่ของใจของเราเสเองคืออะไร นี่ทัญยุววิชาความไม่ฉลาดความหลงโมหะความหลงความไม่มีสติความไม่มีปัญญาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าศาสนธรรมของปัญญาเจริญปัญญาตามหลักอาสีปถานทําให้เราโรคทุกยัชนทุกเวลารู้จักช่องทางกิเลสมันเกิดขึ้นรู้จักปกป้องช่องทางตรงนั้นตรงนี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นรู้กนอุบายทั่วถึงทันทันหมด เราก็อิสระเรามีความอิสระอยู่ในขั้นที่เรากําลังตั้งใจดําเนินเราก็ได้รับความสะดวกสบายเพราะเรายืนอยู่บนเส้นทางที่มันถูกต้องดีงามไม่ทําให้เราหลงเส้นทางเส้นนี้เป็นทางเอกเป็นทางเดียวไม่ทําให้เราหลงเอกายโนยังผิกดเวมขโขเป็นทางอันเอกนําไปสู่มรรคผลนิพพานเพื่อความเบื่อหน่ายคลายใจ เพือทำลาวิชาทิฏฐิมานะในหัวใจของเราในที่สุดมันชัล้างกิริยาการทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จนหมดไปได้เหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์เหมือนพระจิตของพระอาหารหันต์ทั้งหลายพระจิตของพระพุทธเจ้าเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวก็ยังมีอยู่อีกนะไม่หายไปจากไหนไม่หายไปจากโลกพระจิตเป็นาธาตรู้ที่ไม่ตายไม่สูญไม่สลาย คกายเป็นธาตุที่ต้องสูญต้องสลายต้องเน่าต้องเปื่อย ส, สูญสลายกลายเป็นดินน้ำรมไฟแต่จิตเป็นธาตุรู้ที่ไม่เสื่อมไม่สลายแต่จะถามว่าใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนทำประกอบด้วยอะไรไม่มีใครตอบได้หรอกนอกจากจะด้นเดาสวมรอยเอาเท่านั้นแหละแต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกองสังขารรับอะไรที่ยังชะล้างยังไม่หมดอยู่บนพื้นฐานของกองสังขาร พระองค์จึงทรงตรัสว่าสังขารเป็นปัใจจัยเกิดวิญญาณไปด้วยหลักปฏิจจสมุปบาทท่านพูดเอาไว้สังขารเป็นปัใจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณนี่หมายถึงจิตในพเราเนี่ยแหละมันมีสิ่งมีส่วนพรุงส่วนประกอบมันเป็นวัตถุดิบมาพระเจ้ยยาท่านเป็นมหาบุรุษเจียรนายสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อคนเขาเจียรนายหินให้เป็นเพชรเพียนพลอยเป็นอะไรขึ้นมาพอเวลาสั้นเด็จรูปมาแล้วโอ้โหเป็นแก้วสารพัดนึก เกินคาดเกินเดาเกินหมายรองทรงตระหลาประมาณสุขังประมาณสุขังโอ้จากนี้ไปครึ่งชั่วโมงนั่งภาวนานะอ่านภาวนาฟังมาเยอะแล้วต่อไปนั่งภาวนาต่อไปภาคอื่นให้มีปัญหาบ้างแล้วหรือหรือภาค ภาคหลังนี้มีปัญหาไหมวันนี้มีนะมีแต่ตอนนี้ภาวนาก่อนออนั่งภาวนาก่อ น, น <c oughs> เดี๋ยวนั่งภาวนาก่อนหลวงพอยังไม่ได้ภาวนาเลยว้